อดีตคือยังคือ อ, อ, อ น, นิจจังทุกครั้งอนัตตาที่ล่วงไปแล้วอณะคตรไม่ยังคืออ น, นิจจังทุกขังอนัตตาที่วระท่านมาเถืงปัจจุบันไม่ยังคืออ น, นิจจังทุกคั้งอนัตตาที่กําลังเป็นอยู่ในขันธิบากหรือแบกตัวนนั่งตอมองตงอางเงงเยอะเนี่ยนั่นเมื่อเห็นโลกทั้งหลายเต็มไปด้วยแห่งสี่แล้วเป็นประจักษ์คาชิทธิเรื่องสนิทสนมเหล่านี่ยปัญหาที่สงสัยมันถิม่าจะใสอีก มันจะขี่สร้างตูวอย่างมันด้ใช้อีกกันเหกับขักกัทำไมมันเห็นขับกับแม่เนี่ยแล้วมันเห็นตามสั้นยาสิมันเห็นผอมก็ร่มขอร่มออกผอมก็คณะคิดที่นักตีคิดดวงโดอ้าวลึกขึ้นแล้วก็เลยพูดออกมานั่นมันเป็นอดีตจ้ะครับอดีตมันยังมันอะไรจังอันละเอียดบอกยิ้ตาสังขารกับไมจีสังขารก็ขึ้นแล้วกระดับกับนี่ สังขารใดเกิดขึ้นในอดีตสังขารนั้นดับในอดีตสังขารใดเกิดขึ้นในอนาคตสังขารนั้นดับในอนาคตสังขารใดเกิดขึ้นในปัจจุบันสังขารนั้นจะดับในปัจจุบันปัญญาเรารู้ในกองสังขารดำเป็นจริงอย่างไรนักทำแจระบัดแจระหมวดระบวดก็มีปัญญาเป็นหัวหน้ามืดผู้รักษาชิ้นหากันโมวิปัญญาเป็นหัวหน้าก็รักษาวบคุมขึ้นกัน่ะก็เพ่เหลื่อมใสในการเว้นคือกันเว้ลรามาี่ เวนแล้วเว้นคอนีแล้วมันี่ก็แปลว่าเล่นคำว่าพุทธเจ้าปฏิบัติสกุลจังปริยัติที่หลังเนี่ยพูดมาเรียกว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทพูนมาเรีย ก, ยกอะไรปฏิเวทสกอลจัปฏิบัติโอจังคอยปริยัติสังเจ้ากฎท่านยาวาป้าพัทธยามหานมหามอาสัิขวัาปฏิมุน ท่านได้ตั้งป่าลชิกีสท่านได้ตั้งเตกวัดไสท่านได้ตั้งสังฆาทิเศษสป่าชิศสาิเทสามอนิยสองสียตสาสี่ยีสองยะสเยสี่เีวัดเตที่้าอธทิกรณะสมัติเกตพุทธบัญญัติกับอภิธรรมายานมหานิยต่างัมนังปฏิยัตปฏิบัตปฏิเวท การยัดกัยัดขม้าหากายว่ายใจใจเนี่ยปฏิบัติกับปฏิบัติกายว่ายใจใจนี่กือว่าเป็นสามเป็นที่การนิบาสผลของการปฏิบัตกิก็คือผลของกายของวาจาของใจที่ปฏิบัติถือเนี่ยเนี่ยปฏิเวทนะพระสูตรสูตรของกายว่าจใจใจเนี่ยพระประมาจิตมัดกายว่ายใจใจบอกละเอียดก็กลั่นซื้อพระปรมัติตของบอกเป็นธรรมะทิฏฐานล้วนๆพระสูตรก็บอกเป็นปุ๊กขล่าทิฏฐานเกีจือธรรมาทิฏฐานเพรานว่าอาบัติว่เกิดท่าใจเย คนตายมันไปล่วงอาบัตบอกใจว่าผ้าล่วงยังม่ยอมอยู่เขามีใจเป็นผ้าหนาว่าตัวอะไรก็ได้ไปจริงดูเพราะมันเป็นของละเอียดเพราะพอกินได้เป็นของยาบจะเรียกว่าบ่าเกิดทั้งใจเหมืั่นต้อไปจริงใจยังไงเนี่ยเป็นผ้าหนายัางไง้าไปเพิสไปถือกับมันใจคิดแต่ทั้งคานเน่ย เกิดัิธรรมเป็นส่วนดีเรกุศลส่วนชั่วเรียกกุศล็ส่วนกลางมาดีมาชั่วเรียกยากรเรียกว่างลาเป็นมแดงฝบั่งบุงหัวมันเทียบบรถือกนเทียบือกับรั่งบุงอยู่ได้สักน้อยนเียบถือกบฝ่งบงหก็คมั่แต่สอนคาสอนพระพุทธเจ้าอยู่ห้ปฏิบัติก็บ่ัตรอันนี้ก็ได้ พนานุตรียะเห็นเยี่ยมเห็นเยี่ยมปณิสางปฏิปทานุตรยะปฏิบัติม่อเยี่ยมนมุตานุตรียะก็รนเป็นขันขกั น, นยนั่นเยี่ยมทั้งเห็นเยี่ยมทั้งปฏิบัติเยี่ยมทั้งรุ่นผลไปเป็นกันขันไปมันจังแมนอันนั้นกระแกงอันนี้กระแกงเออถ่วงนู้บดมือบดเล่นบดจับกับแทปากับมออิมละทองสายฆ่าสมาธิ แต่เกิดพร่มมาโลกนับแต่พิม่มมาริษัทชาไปจนถึงอาสัญญาาตัตตาจนถึงเี่ครับพรลา่าส่วนสันอาิหาอัตบาสุจษสาสุจะสียนมันสันของพระอนาค้ามีอันนั้นแต่ย่มไดเพิ่งกรขึ้นไปพุ้นอุป ป, ปาติกาขึ้นไปกล่ามาโลกมมีใน้เพิ่นเ้เพิ่นโมหลงหนัง ว่าหน้าข้ามีว่าลงหนังพรเสดบัย์ยังลงหนังอยู่เด้ลงหนังเนี่ยเจ้าของหนังผัวเจ้าของมีข้อำนัดเนี่ยกลมาล่มยแต่แห่บ้ยอมรวงละมิดซึงกันและกันเขาจะเปิดประตูให้จ้างเต็มเป็นฝาเป็นดินพระสวดาบันก็ว่าสามาถดวงละมิดผัวเมียเจ้าของเมียเจ้าของขอประสามาถดวงละมิดว่าสามาถเรียนสูงก็เมีย ว่าสามารถเด่นสู้กับผัวคนยินดีเท่านั้นเพื่อเป็นบาปเป็นกรรมอีรินี่ว่าได้บังคับเนีสส่ยขััดมู้นี่ัชเชสมู้นี่ถือว่าเป็นบาปเป็นกรรมอิริว่ามันขันธิคาระยา่ามันพิษศีลบวารสด็ดาวันถือ่มันป็งกำเป็นเว ร, ร, รนีดีนี่เนี่ยหาหาหอวซากเช่เีเ่มันก็เวนได้เสียลยขันธิคาสัดดัชเ็สกับ ยามันพิดชินว่าแต่วายจังสันเชื่อมันเป็นกรรมเป็นเวรนี่ดิโซดาบันไปในสังคมคนผ้ารับชินกับรับยัวเพราะรักษาสังคมบริษัทโนต่าว่าแต่สงสัยว่าสินจะคลองขาดไปใส่ว่าแต่สงสัยว่าสินจะคลองดางพล่อยไปใส่ว่ากันนี่ผู้ส่วนสินเราเมายาคนกับมกินทางบ้าให้กระทากระเทือนเขาจังว่าบวกเป็นใหม่สักขีดก็ไหวไหม จังหวะเบอมีวิกียึดชาสงสัยไหนะอันอวบยทุกประเภทโอ้ยมือนึงกวาดกเสามือนึงถือผายมเมาสวนเขานี่ยจูบไส่เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเออนาอยากเห็นแต่อาบายยมุกเออเขาไทยท่าเขาเวทับักเจหนึ่งพระองค์นั้นองค์นี้เที่ยงต้นสวาดอก อโอ๊ยแม่นี่แทะพระหัวโตกะล่าหัวต้องเอาพาพระพุทธเจ้ามาเต็งกินมันว่าเป็นพุทธประหามันถีบมาขิยวมาเที่ยงวันไหนสรางเงาวัดใจญ่ชีมันก็นเรียบขีดดังเรืองของพระ อ, องค์เจ้าโย่พระพุทธเจ้าช่วงหามขาดเนะงาเหือนพระพุทธเจ้าท่ายายชีพหายหนาเดียวเอาบายเจมุกตัปปวพิเศษ นักเลงหิงนเลงสุราเล่นการพนันควบคุมชั่วเป็นมิรเกียร์ขั้นทำงานในทางที่ชอบหรืมน้่มาเที่ยวเครื่งคืนเที่ยวรูวกันเล่นเล่นการพนันควบคุชั่วเป็นมิจทีนี้ปฏิบัติทั้งเลลมพู่มเข้ามาโซดาบันเห็นมันรู้ดีบัดตัวว่ามันมันรู้ชืบัดนีเพราะมันรู้ดีบัดแล้วกับสวรรค์กับวิบัตพุ่มกับวิบัตมิถานกับิบัตคือปัดอย่างนี้ว่าของสันห์ห นี่ะบนนี้แหละบนันชํามคันนางมีสาขาไปเรียนโบโวงเรียนเบี้ยใช้ักเท้าแล้วน่าท้าบินดีมุมม่งนะบัวมาเราพัดมุ่งนะบัวในวารีบัวในนี้เลยนั่นตัดป่าอนไก่เมียนบัดราจะพนันพนันทั้งเหื่อทั้งแท้มื่อนี้คือกันวัดว่าที่เกี่ยวกับกันพนันเมียนบัดพิดพุ่มกระสืดาบันบัด เพชุ่มซูปอรปานโนบักินคองดิบคองดายราบดิบมู้นี่เพชรพุ่มเพชรพุ่มของสูปอรปนโน่สมทานะกินยิงงูมนี so you. You ่ผสมพู่มเนี่ยลืงูนี่ถึงแม้พระองค์เจ้าพระสงหามกระซังก็บผสมควดท่านหน่อยท่านหลายอย่งกระซังพระวนาหน่อยพาะวนาหลายกระซงหงเผื่อผลทุกนาวตาสงสารเชียงเดียวถนนิเกตหน้าเชียงเดียวกิ่งหนึ่งเท่านั้น ว่ามีอเกจแต่นาอันเื้นผลพวกโลกุตละนี่นัจะซือปิปานโนไปละฝพระเจ้าบันหน้าลั่นท่าข้ามนับจนบ่ไหวกรุงรัตคือก็นับจนมไ่ไหวพวกพระโสดาบันเนี่ยแต่ท่าข้ามนี่หน้าไพมนี่ต้คงขกันไลา่าสดเสื้อทาหารจนตนับไ่ไหวอ๋ข้าพระองค์เจ้าไปบินทบาทเนี่ยกรุงราตนคือเนี่ย กูรักเถือเนี่ยิพสูสิบสองหมืนไม่ใช่แด่อันแปดชิพองนี่เสียวเดียวนึงเลยสองลายเก็ดชิพองนี่พระไกรพีอกกับเสียวเดียวเท่าไหร่นนามันสมควรแล้วได้เ่ากันใชได้อยู่อสูตรได้สั่งสูตรบวกแสดงถึงพระเนปานไม่จะสูตบวกมันไม่มีจะสูตได้เนีย รัตนสูรการแสดงทั้งพระนิพพานเสวนาจะพ้าล่านั่งบันทิ่จานั้นจะบันทิดใช่ไหมเอาซําไหนก็ไม่ใช่พระละหันผุนแลวลงม้าบันทิดปู่ช่ายจะปู่ชะนีนั่งมุ่นปูชาไอ้ยังมันจะเป็นคลองเลือดปฏิบัติบู่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อมรคนิพพานเนี่ยอริยสัจจะรันนั่งมุ่นอย่านี่เ็เห็นอริยสัจสีมุ่นอ่านี้มันยังสัจก็ว่าถึงพระนิพพานหมดหรือเปล ก็เลยนี่เมตตสูตรอ๋กอก็ทั้งพระนิพาคเช่นกันยืนอยู่ก็ดีนั่งอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดียังไม่รับเพียงใดก็เลยถึงเมตตาได้เพียงนั้นเลยบุคคลผู้นั้นไม่มาเกิดในคันโดยแท่ทีเดียวก็บอกทั้งพรียาบุคคลตัวยพารียาทุกคนพริพพานเกิอยู่ในกำมือเช่นกันเห็นอุปปาธิกะก็เกิดพุดขึ้น ใช้ชักข้าศึกมุ่งตนีจกับศึกของพระละหนันและจะนาศึกกับศึกของพระละหันเข้ากันศึกของนับ่สูตรพระโสดาบันไปละจนถึงพระละหันชี่น่งพลานั่งกัเป็นูตรพระลหันชักยะดิธิวิธีกิจจีตันกัทิลาประจังว่าปีนั่นกะสูึกของพระโสดาบันกาเยนวายจา ย, ยุตเกต้าวาน พระโสดาบันทำผิดแล้วไม่ปิดความผิดว่ายอมแสดงต่อเพื่อนใช้จาาพิฐานานิอภพโภกาตุงถึงอย่างนั้นท่านก็ไม่ถืออภพที่แปแลกบอาผื่นพระโสดาบันสัตตกตุปรมะตัวสูตรนั่นสูตรใดถือว่ามีโรคกุตลละนี่จะสูตรบอกนะฮะทำไ ม, ส, มสูตรสูตรโรค ก, กุตลละทั้งนั้นเก้าถึงพระหันห้ารอยองค์ เหนแกามาเตาหิพิกุสเตหิสเบหิวา่ารังเตหิได้สหิจโรปตะตูหิอันไหนพระพุทธเจ้าปรเทศเถิงพระนิพพานมีจักอ่านบอกชินหาเป็นชินมันมันเป็นชินโลกีบอกชินหากเป็นชินโลกุตระตัวใครว่าชินหาเป็นชินโลกีจะเถื่อมันก็เป็นโลกีแต่เฮาแล้วส่วนชินพระองค์เจ้าแท้พระองค์คขประส่องพระองค์แทมเป็นชินโลกุตระด้ นั่นแหละอริยกันจะศีลละนะอริยกันตั้งประซั่งสิตังสั่งเทประซ่าดูยัตสเตตผู้ยุคผู้ตังจะดัตผยุคูตังจะดัตเถนะเพราเป็นผู้เห็นแล้วนีผู้ปฏิบัติตรงแล้วนี่ผู้ปฏิบัติดีแล้วตัวะามผู้ขบเขาเขาภาคกร า, าบไหวนี่เง่้ยเพี้ย กไปตาบ่ายแล้วเขาหรือเป็นไม้ร้อยน้ำเป็นไม้ทักขีควายมันกับ ป, ปีศาจบ่ายจะพู่มแล้วเป็ น, นังสัตว์ขันรังมาผลในผ้าเกตนามาผลในผ้าเน่เพื่อผลทุกนายมาตาสงสารเ น, านาี่ยอโลกุตลาเกตนาขันยังมือหัไม้พัดใจซีน้ำราบน้ำนดน้ำสเัเสนอน่น้าดังบ่ดังบ่มเมียนเป็นโร ก, กี ดังอันว่าดังตา้มมันก็ผสมซเปรจิ ป, ปโนโลงมามันดังเวียนอยู่ในโลกไงปจิ ป, ปโนโ่แ่นดังสิขาวไปใชอุจุยะยะสามีเออนกดังขึ้นไปพุ่งเดังขึ้นไปสูงว่ามันดังลงทงตั้มเลย่ามันดังไปทั้งวลัลลภวัลข อ, อาสันอโรดว่าเป็นไปะชาติพย์ใไปทั้งโลกอุตระ เวรเป็นปรชาธิปไตยที่วนเวียนในวตารสงสารนี่เป็นทังคมนิยมไปทั้งโลกุตละบวรเป็นสังคมนิยมที่มาวนเวียนในวตารสงสารสิถอยหลังก็ถอยหลังกลุ่มกลุ่มพันธ์สิถึงหุ้มเวลาใจนาขุนยังงหองว่าดีนี่นั่งซือกาลเกตสินใสอุปมาอุปโธเปลี่ยนโวตายนะพระพุทธารรมระสงฆ์โธเป็ี่ยนโสายแล้วามวัดปฏิบัติของเจ้าของศีลปารมันธาปารมีสัมปโนก็คือศีลพระโสดาวัน สัจปลาลมีสัมปนโนกสัจจาพระโสดาบันเป็นตนไปอธิษฐานปลาลมีสัมป น, นุการนับเจ้พระโสดาบันไปนั่นชี้ที่โก้เลยการนับจะหันเลยเป็นไปอาการทีโกไม่มีการไม่มีเวลากับผู้นั่นแะเป็ผู้สี่เห็นผู้สีเห็นสัตว์เยี่ยมที่พโกลองเรียกให้ท่านผู้อื่นมาดูได้ลองเรียกให้พ้นจ่าบ่อนะเมื่อที่เห็นก็ลองเรียกเจ้าของมันมาบึง่ง เม่อบังคีเมียแต่พ่งดูรับตายสี่ว่าบังได้อยงไรที่ว่าสันหรอเขาที่ว่าปัจจิตตังนี่เป็นโรคกีมันก็ฟันเฟือพปวดแค่หั่งคือก็ลาว่าก็ได้ว่ากัว่าได้อยู่พวกเขาไปรักเขาคงจักไปลักพวกเขาไปข่าค้นเขาคงจับว่าเขาไปขาวข้นนี่เนี่เมื่อเขาที่ปฏิเสธกันได้ก็ได้พวกเขาขิ้ข้านเขาูงจับว่าเขาขีข้านนี่เพวกเขาบเรียมใ้พระพุทธศาสนาเขาคงจักว่าเขาบวชลร่ยนใพระพุทธศาสนาอยู่ก็ที่บูมซ้ำทีิที่โกะ แต่ว่าขันี่ไม้อาพีมันก็ฟันเฟือโพดรุ่นไหวใช่พโพธิ์โคพวกคันี่ไปร่านโพดร่าไม้อาแล้วเ <c oughs> ่วเห็นพระเจ้าพิมพิสารบอกลูกเอาพระไส่โซไว้ยิ่งข่าโศเดินจงกรกมกวงเกียงกวงเตียงอยู่ไหนคนนั่นพุ่มพระโชดาวัน้ยควลงค้นแต่หมู่ห้อง ได้ท่านนนลายได้แหลสำคัญเลยจะขอมาพระสดาบันต่ทาไปแท่ยไปถือลูกถือง่ามอยู่ไปเอาพระพุทธรูปแขนคออยู่เฮ้ยตอนีย ว, ว่าแขนใจไว้แล้วไปเอาพระพุทธรูปแขวนคออยู่พระสดาบันพนายไปเรียนเลขอยู่มันก็บ่นว่พระสดาบันแล้ว ส, สดันสดาวแล้วสดนนสขขาขาดแค่นี้เลยเคยไปที่ไหนเคยเห็นหลายอยู่ เป็รืองของผู้อื่นดอกอันแต่หออกมาสอนเจ้าของเมด่อดันเสด็จเดาเนยเสดดนสดขาดที่นี่เสด็อัตตาทิพยไต่เน่ยว่ามันเสด็จธรรมะทิพย์ไต่สดดาวันมันธรรมาทิพยไต่เนี่มันอัตตาทิพไต่ว่ามันโลกกาทิพไต่เนี่่มันไปน้ำโลกเนี่ยมันไปน้ำคุ้มคิดคุ้มเห็นเจ้าของไปน้ำถ้ำมาซะคาบอย่างนี้ใช่เขาไวเขาไปน้ำถ้าเข้าโลกถ้ำหลังมาค้นในผ้า หวลวงอถูกในวัตาสงสารชิ้นเดียวพระนั่นเป็นเจ้าผู้ใจยิ่นั่นเห็นทางเลยเนี่ยหรีหรเห็นฟังแหละมือห้องข้ออหักลูกหักล้านเป็นเนมากถ้าลูกถ้าล้านเลนบัตรเลีนเบอร์เลนบกเรีนเบี้ยมันถึงนหักลูกหักล้านตายยังสัน่นทอดผ้าอนุบุตรให้เขาเมื่อไรลกเจ้าปันแหมันมึงรูห้หน้าถ้าแดงมันเอาไปเสียมือเดียว มันสิเป็นทางหลูงข้าหลานบอกของฉันบนบ่เมีนยังพระหลวงพระแลนเรีนการพนันอยู่ไหนยินไดเขาซอยขาสิตายมานางฟังล่ําอฉันพิพัฒนตาแตกบัมืดบอกว่าฉันเรีกนอยขอสอนอันนี้คือกันละทสิตายไปฟากันไปเลเรียกพิพัฒนตาแตกบ่มืดบอก่กหน่อยขพระองค์ไหนมันเขียวมันสิทอ ผรอาดีเจ้าทกคนหมอพอาดีเจ้าเพิ่งไปยังสุพับพงษ์จักเล็กพระเกหงษ์จักเลตัวนี้ก็หงจักไปยังอย่าเีเลษ์จักยไงฮะหงษจักก็มันจิบหายมันจิบหายเพราะเหตุดังนั้นทันทีวาของสันเพิ่งเรียกว่าหงษ์จักเล็กจักก็มันจิบหายเห็นแล้วหงษ์จักซ้านั่นก็ใช้ได้ลเนี่ยทัหงจักไปก็นันก็ม่มีประตูสิหงษจักมันจบข้อมหงษจักลเน่ ที่ว่ายังไงสั่นมันยังว่าจบความหูจักดอกว่าสั่นของไม่อานบ่เมื่อหูจักเกลือบอ่าสั่นหูจักแล้วมันพยายงมันเข้ม่าสั่นมันเข้มเพราะเหตดใด่าสั่นกับมันว่าหูจักเกลือสั่นในาส่ออย่างอืมอกว่าสั่นคือยังเท่านึงละเป็นเงง่วงเด็กหน่อยพักนึงมันส่อดิ้พ่อเท่าพอเท่าสั่นคนตายแล้วมันเป็นเป็นยังสั่นเป็นผีสเ่าบนเล้าตอกยู่ เัาเรียกข้วยอ้นั่เด็กหน่อยมันเป็นป็นผีนะมันเพียงเป็นสางนะสันมันเป็นสางนะมันเปียกเป็นข้างแดง่ะสันเป็นข้างแดงมันเปียงอีกเพราะเสาะสันเ้าหาขอดไม่กูเอาห้องตรงนี้ก็หนาวสันไปได้ไหมหาควาวไมุงว่าสันอันนี้คือกันมันจิ๊บหายเพราะเหตุใดสันหาคอดว่าเอาห้อคือกันนะว่าแล้วจซ้อไปยังสันท่างใดมันดีนั่นนบอกไปหมดแล้วพระองเจ้าเ เท่าไม่ได่งายเลยอเนี้ยเทาที่กินอันไหกับวิต่างเมื่อเปิ่อเอาท่านไหน่เนี้ยบอกฉันว่าเทาที่กินได้้ไหนเท่าปฏิบัติได้ซําไห่วันสิษประซอกหากมปฏิบัติก่อนพฤติปฏิบัติแบบไหนนมั น, มนจังสถือเพาะนสบไวจากฉันข้อมปฏิบัติถือพราะพุทธเจ้าเขาบอกแล้วอภรณ์นกาปฏิปทาคือปฏิบัติไม่ผิดสามอย่างทั้งรวมเป็นซหกคือระวังตาหูจมูกลิน้นกายใจ ได้ยินดียินร่าในเวลาเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นดื่มวดถูกต้องพผลจะพัดด้วยกายกาด้วยธรรมะลงมโดยใจโพชเนมะตันยุตารู้จักประมาณในการกินอาหารแต่พอทัองควรไม่มากไม่น้อยชาคณียานุโยกประกอบความเพียรเพื่อจะทำระใจของตนให้หมดจดไม่เห็นแก่นอนมากนะักนี่ปฏิบัติบ่กเหตุสิพระอาปฏิบัติพระพุทธเจ้าบอกไม่มัดหรอทําเป็นโกคบาลคุ้มครองโลกสองอย่างคนโรคไอาตบาบความกลัวตวบ่าเท่านั้น จะปกครองลงได้พระพุทธเจ้าถ้าไม่มียางอายตบาบแล้วไม่กลัวตบาบไม่สนุนกลัวตบาบแล้วก้นหมายก้นหมูกัดพักกดพวกมันก็ตั้งไมาอยู่ขรับสั่อยู่ทุกข์งอมหยาเออพอไอเมียกุยเออตั้งยังไงก็ตั้งมาสทช่หพระพุทธเจ้าเป็นการบ้านเป็นการเมืองเป็นการเทวโลกเป็นการพบทธมโลกโคตรปดยงทรงพระนามาโลกก็ไม่ทู จึงทรงพระนามาสัตย์ท้าเทพอมรุษานั่งเป็นที่สอนของเทวดาและมรุษทั้งหลายย่างพึงนฝ้ายองอาจร่อยมาผ <เอ S 1> ัานขามสีหฮานาทา้งนัท่านเตเตจึงมาผ่านขามในพุทธบริษัททุกๆพระองค์มือฝืได้เสมาคัดข่านได้ทศพนญานก็มีบริบูรณ์แล้วม่ใช่มาคัดข่า น, นไหนกับคัดข่านบ่ได้นั่นเพราะเสด็คําสอนดีไม่ได้ใสให้มันเลือนคำสอนพระเจ้าพระเจ้าก็ได้สอนเหลื สอนจะผาจะเน้นยอดย่อมกวสอนหมืเนี่ยเด็กเล็กเล็ก้อยกวสอนเมื่อนระวางพ่อกรแม่ก็สอนในีระวางคุณพ่อคุณแม่ท่านเรื่องมาแล้วเรื่องท่านตอบทากิตุระของท่านดํารงวงตระกูลเราพืชตนให้เป็นคนควรรับทรัพย์มรดกนะฮเมื่อท่านลงรับไปแล้วธรรบุญลงที่ท้ท่านแต่ว่าพืชละค้นจะใครพ่อให้แม่ปั่นให้ปั่นหน้าให้แล้วพวกคบประพืชประศัพย์จิตปูงคิดเกอยู่มันิบวรักษาคุ้มพน์ก็บอปั่นในตัวเ่อพวกพต้นให้เป็นคนควรรับทรัพย์มรดกะน เมื่อท่านรองรับไปแล้วทำบุญที่ท้ท่านนั่นพระพุทธเจ้าเขาจะไปบอกดีพระพุทธเจ้าห้องของปฏิวัติเอารวบไปไหนลูกนู้ปฏิวัติเอาสั่งัวเฉลยพระว่าน่ายากตียงนั่นบอกว่่ะน่นเราอางวกกเมียก็บอกพระจีบอกดีมาดูขวัญด้วยขวัญถาขวัตะปวงพระพุทธเจ้าว่าได้วะเ <c oughs> ดยยกย่องนับถือพราว่าเป็นภรรยาด้วยไม่ดูหมิ่นด้วยก็าพูดรุ่งร้วงใจใจด้ว ย, ว ย, วยมอบความเป็นใหญ่ให้ด้วยให้เครื่องแต่งตัวนั่นผัวเมียฮะนี่จะแต่งงานดีสงฆ์คนข้างเคียงของผัวดีไม่พูดรุ่งใจผัวรักษาทรัพย์ที่ผัวทำมาอะไไวขยันไม่เคยเกียดขั้นไม่คิดการถ้าปวงผัวกับเมียเข้ารักกันตอนนี้แหละควทบทะเลาะแยงสยกกไิไม่จากประตูไหนหรือเปล่าตลอดว่ามันกับเมี่ เน้นเบาระวางบากับน่ายพระพุทธเจ้ากับสอนสรุกจ่างจัดการงานให้ทำตามสมงควรแก่กำลังให้อาหารในรางวันพยาบาลในเวลาเก็บไข้แก่ของมีรสแก่ปลาดหลใส่กินวัวต่อยได้สมัยสมัยเทียงสมัยเลือสมัยวัตถุดสงกอกสงกายนี่แล้วอ๋อที่นี่พวกคนงานท่านหนึ่งลุกขึ้นทาการงานก่อนนาย สองเลิกการงานที่หลังนายสามถือเอาแต่ของที่นายให้สี่ทำงานการงานให้ดีขึ้นห้านาคุณของนายไปเสริมเสริมในที่นั้ น, น, นอันคนงานชมช่วยดิว่าเดี๋ยถือเอาแต่ของที่นายให้ได้ลักเอายกเอาเสียบไปพร้อมนั่นเออลักเอาควานะันทีิจปูว่ะ่ะมันตีเจอเลืดยังได้กับีแต่มานิบหายอย่าตัวเพราะนี่คขั้นายพูว่าเป็นถ้ำขัะนนี้ขั้ลูกนอกมีเงินเดือนนายหลายเนี่ยย่านในใจเขาเปคาเขาทิมเนี่ย ฮะอุบายขาฮ้อบายเบือ่อเนี่ยมันกับพวเฮ็ดถือตามคําสอนผู้พุทธเจ้ามัก็ปกไ ป, ปไม่ไหวแล้วนั่นไปที่สันว์ได้ปานอว่าสัตว์อรรถมีอีกบ่มีอีกเนีมีแต่สิ่งมีกระดูกเลยข ม, ม, มันแกงกับพ่อน้าพ่อตอนแนี่วันเอาะมันมีกระดูกเลยขมันแกงก็ได้ขมันปลามันปิ้งแต่สิ่นมันม่นมีกระดูก ขัดมัณยากัดมัญฑยาแท้ๆว่ามันยาพิเคริมนำจ า, ยา น, นยาโอซุตคำสอนพระพุทธเจ้าก็เปรียบมัณฑยาโอสุตเนียไปเอาปฏิบัตินั่นนี่ระวังศิยียกับอาจารย์พระพุทธเจ้าสอด้วดรุดขึ้นยืนรับวนวดเข้าไปกืนยืนคอยรับใช้โดยเชื่อฟังโรยอุปถามภ์โดยเรียนศิลปวิทยาโดยเรารนั่นส่วนอาจารย์ แนะนํานี้ให้เรียนดีบอกทีรรรรรร่ในป่าวิทยาให้ชื่นเชิงไว้ปิดบางกําพังยอกย่องตอนตอนที่ถูกก็ยกย่องให้ปรากุในเพื่อนสูงตามความพ้อง ก, กันในที่ทั้งหลายจะไปในที่ไหนก็ไม่อดอยากเลยพาจีวนันผมอยู่นี่ได้ไหมสันพ่อกระดูกเงนอย่าง่ามัองเพื่อนบอว่าเขาเห็นแก่นาคาซื้อตัวเขาจังเอมามาให้เขายับมือเศ้านี่ได้ว่าสันไม่ได้ท่องคำว่าว่ามันคุน่นของคนหักออกแคม่าสันโทรศัพท์เสียีลยเขาเห็นแก่นาคาซื้อประพุทธพระธรรมพระสงตัวเขาไม่จริงไหมสัน อันไหนวแม่ท้องเพินไม่บอกวะสันกุฏิวิหารนี่ไปคีไปคีสถานเพลนตัวสนอนกับนอนกุติเพลนตัวสั้นไหวเจ้าของว่าญามกับมญามของพระุธพระธรรพระสงับไม่ญาญย่มของตัวบอกว่าันในใจเรก็ท่าแม่ท้องเพลินเบิร์ตวะันขันเจ้าลึกถึงขุนเพนวาเห็นคุนเพลินเลสั้นเจ้ากับพี่แกหน้รควมลมหายใจเขาออกมันจะวางปานาสั้นย่าแตขคีโกงแลวหนาสั้นกำหนดควอมเขาล้มหายใจเขาออก ว่าท่านพอสมองนำตาพระจัตมนไหลมาที่สาอันเนี่ยเปียกบัดสสะสร ะ, ะ, ะบัดยวปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยเราถวายองค์ลวงปู่มัน อ, บบองค์หลวงปู่มัน้นเอ้ยนี่ใสไม่เนาะคิบลงงานนี่ใสเห่าผมมคือมูได้หังอายุหาปีเขาไปเห็นวัดปลา มันเป็นวัดปาโยเกียต่เกมันห้างมัแล้ววัดต่บรมมาาเช่นก่อนอิปก่อนผาคนคือสิผ้าวนาอย่นี้คนคือสิดทองหนังสืออยู่นี่คนคือเสียเดินตงกลมอย่นีมันคือติดเทศงานน้มโยบเณรมันไปทแกกไม้ันึ้นวัดเราไม่จะไม่จะถักไม่จะก่อนอิปก่อนยังไปท้าเนี่ย้ำเยี้ไปซ้ำยังไม่ทำตาไรแต่อยู่หาปี แล้วพ่อเปอไงว่าบวดดำหน้า้นน้ำเอื่อยเอืยเท่าแว้นเท้าแก้วเท่าจันที่เท้าโนเป็นลูกปลาหมูกิ่งไปกิ่งไปน้ำมันเขาขาดหน้าแล้วพ่อเปนบอกว่าหน้าแก้วนี่หาบักสิงแก้วนี่หาบักท้องดีแก้วนี่หาเอวบนไม่ แ่วน He He He ี่หาอีกกันที่แถวนี่หายอีแก้วแ่วนี่หาอีแหวนแถวนี่หายบักละอะไรอ่านหน้ามากว่างได้หน้าพออว่าเอาดักอะไรอ่งตัวอายุห้าอายุหกปีวด้เอาสาวพอว่าว่าเอามึงจะไปเอาไส่นคุณหน้ากูอะไรอ่นี้มันอยู่ไก่โคโคมันอยู่ไก่บ้านไต่บ้านเนี่ี่หน้ากูอะไรอ่นี่ไปทังหน้าเี่ไปทั้งโคโค่หน้ากู พอฟังแล้วพ่อหัวยำๆเลยว่าให้ลงกปูมันฟังลอกปูมันหวไปว่าเออนิ่สายตัวเป็นว่าแค่โดนแล้วอ่ปีนั้นออกพระมานาเนี่ปีด้วยน้ำเพลนสองพันสิบาเก้าสิบเก่าเก้าสิบก้ิแบแก้าิบสองยุ่หันซีปีแรกที่บันน้องปื้อน้องปูกองมากชื่พยายามองลูกปูมัน ปีละสามเที่ยวเที่ยวประเทศหลวงูเมาหลวงภูเาคม่านี่คนอาถรรพ์เหลวงภูเมายิบยิบยจามเที่ยนหลวงภูจวนจวนเนี่ยบริยานญาติบรยานจะหาเข้ารถก็สีได้เอาหลวงภูหม่านออกมาหอดวัตถุธารุกับมันนั่งย่ายหลวงภูขอหมานด้ที่ดกคนมากได้ หลวงพ่อเทิดพระเกศประวุลหลวงผู้ฟันพัะเกศประวุลหลวงพ่อกลองมาก่อหันวอันออนี้อกล่องฮันว่านนี้ไปผักบันะะนกบบน๋นวงไคหรือว่าออกจากบั๋นวงไคแบบผักกุดกออ่อมแม่วงไคบะขวนออกไปผักบนน้าไ ป, ไปยังไตรใสตะไตรคืนวานวันน้นากินข้าวปลอมซุนมมวไปตักไปโดมาทอไปพักยอกุดกอ่อน่อดขึ้นปก สกุล้วินรับวงินหัวออกทั้ตัวไปโยนท่านเดี๋ยวัติ้ักุลขึ้นเดี่ยวท่านก็ไปอาจารยนี่นชื่อว่าขอทองเข้ามี้มดเข้าเขียนแล้วชื่อว่าประวัติเอาชื่อว่าประวัติมาหายอลงานพระงมมุกไปเนี่ยาเจ็ดหอยเจ็ดหอยหเาอียงปัถนาสาวกภูมิไกพันดอกมาได้ร่องทุนหลายคือเพิ่นเพิ่นร่องทุนหลายพระองค์เจ้าเข้าเพิ่นจ้างได้เปลี่ยนาพุทธเจ้า สาสตรุงเมืองกุศาลกา็คือกันไพระอไ่าหม่มไพ ร, อไพรอไ่อย่ากไดเกิดพร่อยากใดยังแดงโร่งท่านไว้ตั้งพันโล่งผนพระพุทเจ้าของเขาปานอาจาจย์ได้มาเป็นพระพุทธเจ้าสอนเขาใครว่าล่ะสามารถเทียบพระพุทธเจ้าข้าสอนพระพุทธเจ้ารองตามันคำบ่าเถือกแล้วแก่แท้เสียบ่า เกิดเป็นหินหินเียหนาา้าผสมาแพร่งปานแก้วมันบอกม่นแน่ อ, อั น, นไหนจึมาพ่อทอพระองค์เก่าห่อคําสอนกรรมทอพระพุทธเก่าห่อคำสอนพระพุทธเก่าห้องเขาพร้อมทั้งมนุษย์สมบัติพร้อมทั้งพุ่มสมบัติพร้อมทั้งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพุ่มสมบัติในผ่านสมบัติ น่ามาอีกเราว้มาอีกเราเว้ยไปหามาอีกมาอีกเรจักจักองเหี้ไปเอาเี้ไปนับเ้าไปนับไปไปหามาอีกไปยุคุดเท่ากับนี่เปิดปักตูเอาสามที่หาหกเจ็ดแปดแปดองค์มาอีกแปดองค์ไว้คุนทํานไว้ไป ฝ, าฝา่ามลฝนมาตกพวก วิทยาศาสตบอกว่าทำลายต้นไม้ลำทานเพื่นว่าทำลายป่าไม้ลำทา น, นพระพุทธเจ้าบอกว่าท่านคนทางเหินจากศีลธรรมฝนโมตกตามฤดูกาลพระพุทธเจ้าเพื่อนว่าท่านวิทยาศาสตร์เพ่มาล่มบัพั์มันก่อนเ ม, ม็บบ้า พุทธศาสนาว่าคนห่าเหือนจากศีลธรรมนัตสังน ต, ติตัศม่าโสตเทพรตัวเตนัตนะอันใดในโลกนี้จะเหมือนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นไม่มีเลยปฏิเสธแล้วนะนัตเมแสดงมันอย่างสถานะอื่นของเราไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสถาะของเราด้วยข่าวความศักดิ์นี้ขอความสวัสดีจงเมแกเราพระธรรมก็เหมือนกันพระสงฆ์ก่อเหมือนกันปฏิเสธแล้ว ผู้ใดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตลอดชีวิตหรือตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานไม่ถือรัตที่อื่นมาปนเปไม่ถืออยู่ยงคงกรพันมาปนเปไม่ถือไสยศาสตร์ไม่ถือเลิกดียามดีมาปนเปไม่ล่วงอบายมุกไม่เสียดายอยากร่วงศีลห้าไม่เสียดายอยากจะครบมิตรชั่ว ไม่เชื่อายอยากจะถือไสยศาสตร์ต่างๆเชื่อกรรมไม่เชื่อมงคลไม่แสวงหาเกศบุญนอกพระพุทธศาสนาบำเพ็ญบุญแต่ในพระพุทธศาสนาไม่เชื่อใจอยากค้าขายเครื่องประหารค้าขายมนุษย์ค้าขายสัตว์เป็นเรือ้อสัตว์ที่ตัวฆ่าเพื่อเป็นอาหารค้าขายน้าเมาค้าขายยาพิษการค้าขายห้าอย่างนี้ไม่มีในกิจสุพติปันโนเลย จะภาวนาตลอดรุ่งตลอดคืนก็ตามจะอดอาหารจนขุมขนขุมผมหล่นก็ตามถ้ายังเสียดายอยากล่วงละเมิดชิ้นท่าเสียดายอยากกระถือศาสดาอื่นมาปนเปนอยู่ก็ไม่ใช่สุพิทพนโนสุพิทพนโนเป็นพรหมจรรย์เบื้องต้นของพระพุทธศาสนาสิ่งไหนไม่เสียดายอยากล่วงละเมิด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 ไม่ถือตนถือตัวในพระพุทธศาสนายอมอ่อนลาบคาบย่าในาพระพุทธศาสนาเรียกว่าสักกายะทิฏฐิที่ว่าไม่เห็นคันห้าเป็นตนตนเป็นคันห้านนั่นในทางพราหมณ์ก็ถูกอยู่แต่ผู้จะเห็นอย่างนั้นชัดแจ้งก็คือภูมิขอ ง, ของพระรหัสส่วนพระสวัสดิบันเห็นเป็นเอกเทศแต่ไม่ใช่ได้อยากล่วงละเมิดขืนหาเลยไม่ใช่ได้อยากถือศ า, าสตาศาสตาอื่นเลยอันญัดยัดตุเทศไม่ใช่ได้อยากถือศาสตาอื่น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 ไอ้พวกภาวนาหาเรียวหาผาหาบัตรหาเบิรอันนั้นเป็นพวกโลกีไม่ใช่โลกุตรละใครเรียนพุทธโธจบพระสวสดาบันเรียนพุทธโธเบื้องต้นไม่สงสัยในพระพุทธศาสนาปิดประตูอบายภูมิทั้งสี่แล้วพระอรหันต์เรียนพุทธโธจบพุทธโธไม่มาเกิดมาเกะมาเก็บ ม, มาตายไม่มีโรคไม่มีโกรธไม่มีหลง เรียนนโมก็จบพระอรหันต์นโมแปลว่านอบน้อมนอบน้อมจนไม่มาเกิดแก่แกบตายอีกนอบน้อมจนไม่มีโรคกวดหลงนั่นคือพระอรหันต์เรียนนโมจบแล้วชวนนโมของพระสวัสดิบาลนอบน้อมจนไม่หลงทางเดินตรงไปสู่พระนิพพานและไม่แวะซ้ายแวะขวาไม่ถอยหลังด้วยไม่สงสัยด้วยเรียกว่าอาจารย์แศรัทธาด้วย เรียกว่าเหตุดวงตาเห็นธรรมด้วยไม่ใช่ตานอกตาในเห็นธรรมตาปัญญาสมัญตะจักษุจักษุรอบคอบในชั้นพระสวสดาวันพุท ธ, ธสี่จำพวกสมาสัมพุทธะ a จำพวกหนึ่งพระเจ้าพุทธ a จำพวกหนึ่งสาวกสาวิกาพุทธ a จำพวกหนึ่งนี่เรียกว่าพุทธสี่จำพวกพุทธ a ในที่นี้พุทธ a เป็นเอกเทศ ค, คือพระสวัสดิวันสังาคามีอนาคามี ส่วนพระทหารเต็มภูมิของพุทธสาวกโอแล้วสาวิกาแล้วส่ว น, น, นพุทธะข้างต้นคือพระเจกพุทธะนัสมาสัมพุทธะสมาสัมพุทธะเป็นพุทธะชั้นที่หนึ่งพระเจกพุทธะเป็นพุทธะชั้นที่สองอราหารันตพุทธะเป็นพุทธะชั้นที่สามานาคามีพุทธะเป็นพุทธะชั้นที่สี่สักทาคามีเป็นที่ห้า โสดาบันเป็นพุทธะชั้นที่หกคือสาวโกโอพุทโธเป็นเอกเทศไม่ยังไม่เต็มภูมิถึงพระอรหันต์เนี่ยเป็นสาวกเต็มภูมิบางท่านก็บอกว่าพุทโธพุทโธไปเอาผู้รูกแต่ไม่อธิบายผู้รูกเราก็ฟังไม่สนิทเพราะผู้รูกมียิ่งย่อนกว่ากันผู้ลู้ของพระสมมาเทพุทธเจ้าผู้รูขรกรของพระพระเกผู้รูกของพระอรหันตตาขีนาตบผู้รูกของอนาคามีผู้รูกของสัาคธาามี ผููกของพระสวัสดิ์วันมียิ่งยอนกว่ากันจะเอาไปตีเสมอกันไม่ได้ปัจจุบันของพระสวสดา์วันปัจจุบันของสกทาคามีปัจจุบันของพระอนาคามีปัจจุบันของพระอรหันต์ปัจจุบันของพระประเจกปัจจุบันของพระสมานเพุทธเจ้ามียิ่งยอนกว่ากันตามยานสัมพยุทธวิถีของจิตและวิถีของธรรมของท่านจะไปตีเสมอกันไม่ได้อีกปฏิัตาพระพุทธศาสนาเพื่อพ้นทุกข์ในวัฏจัสงสารปัญหาไม่มากทำไมจึงปัญหาไม่มาก พระบารมีแก่กล้ามาแล้วถ้าบารมียังอ่อนอยู่<ม>ก็ปาถนามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติภพสมบัตินิพพานสมบัติผู้บารมีแข็งแล้วก็มุ่งปฏิบัติพรหมจันท ร, ร์เพื่อพนทุกข์ในวัฏฏสงสารโดยด่วนในปัจจุบันชาติปัจจุบันชาติคืออะไรก็คือปัจจุบันนิตปัจจุบันธรรมเราดีๆนี่เองจะสิ้นมรรคผลนิพพานตอนไหนๆจะข้ามรรคผลนิพพานตอนใดๆเช่น พรส ว, วัสดิบาลสกราคามีนาคามีอรหันต์ก็เหมือนกันก็จิตปัจจุบันทำปัจจุบันเท่านั้นไม่ใช่จิตอดีตทำอดีตไม่ใช่จิตอนาคตทำอนาคตปัจจุบั น, นันจโยธรรมังผู้เห็นทำในปัจจุบันมียิ่งยวนกว่ากันดังว่ามานี่คือพระส ว, วัสดิบาลสักทะตาคามีนาคามีพระอรหันต์พระปเจกพระสมณเจ้าสมุทัเจ้าดังที่ว่ามานั้นทีนี่ต่อไปนี้พวกเราจะทําอะไรก็ทำซะเดี๋ยวก็จะด่วนกับว่าดผู้ที่อยู่กับเที่ จะพูด3ชั่วโมงมันก็พอพูดทเทนี่บ้านอยู่คนหนุหนาแหงนะโมไม่ว่านอบนอบพุทธธรรมสงฆ์ทำวัดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันเองพุทธธโมทัคโขพุทธรรโธธโมทัคโขพุทโธธโมทัคโก พระพุทธเจ้าทั้งหลายชั้นที่สองพระปฏิเจกทั้งหลายชัานที่สามอรหันต์ตาชีนาสดทั้งหลายชั้นที่สี่พระอนาคามีทั้งหลายชั้นที่ห้าพระสกทาคามีทั้งหลายชั้นที่6พระสวสดามันทั้งหลายพระมหาเถระทั้งหลายเหล่านี้แหละถ้าพวกเราได้ทําผิดท่านด้วยกายกรรมสามมจีกรรมสี่มโนกรรมสามอันใดอันหนึ่งมาแต่พวก่อนก่อนก็ดีนะปัจจุบันนี้ก็ดีจะเป็นไปในครั้งหน้าก็ดีขอให้พระมหาเถระทั้งหลายเหล่านั้นจงทรงอโหทุกข์ให้แก่พวกเราทั้งหลายอยู่ทุกเมื่อ วันสุดท้ายพวกเราทั้งหลายยงประสบแต่ความสุขความจเจริญในบาวาดาพุทธศาสนาของพระสมณะพระพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโดยชอบอยู่ทุกมาเทินในระหว่างพวกเราทั้งหลายทั้งที่มาในที่นี้ก็ดีทั้งที่ไม่ได้มาในที่นี้ก็ดีทั้งทั้งไตโรกธาต์ต่างฝ่ายต่างทําผิดกันด้วยกายกรรมสามวิจีกรรมสีมโนกรรมสามอันใดอันหนึ่งก็ดีขอให้พวกเราทั้งหลายทุกท่อนหน้าทั้งทั้งไตโรกา จงปราศจากเปรภัยซึ่งกันและกันอยู่ทุกเมื่อผลชุดท้ายพวกเราทั้งหลายจงพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงโดยไม่เหลือทุกข์ตนหน้าอยู่โดยทุกเมื่อเทตือนห่างตัวให้หิเบริขมามีตาบางยะตาปาปังกตังกมามังกุเตเลนะพระหยิยติโสมังโรกังปะพาเสกยปมุตโต ว, วัชันติมาอภิวาทนาสีทิสานิจังมุธาปชาเยนุจตารธรรมาวัทันติอายุวันโนสุ ข, ขังพระลัง ทำวัดทั่วทั้งไตรโรกธาตุมันไม่ผิดหรือมันไม่ผิดเราเคารพสิ่งธรรมะที่ไม่มีเวในัยมันไม่ผิดบางท่านจะมีคําแชงว่ามันไม่ผิดหรือเราทำวัดทั่วทั้งไตรโลกธาตุเราทําวัดอันไม่มีเวในภัยเราเคารพ yup ทําอันไม่มีเวในไพมันไม่ผิดตรงนับคําว่าเมตตันจะสัพพโรกะฉมิงมาสัมภาวยเจปนิมานังทําดีแล้วก็ไปอยู่ใจทําชั่วแล้วก็ไปอยู่ใจ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 เพราะไม่ละอายต่อบาปเพราะไม่กลัวต่อบาปถ้าไม่ละอายต่อบาปไม่กลัวต่อบาปแล้วสองข้อบางต้นมันก็ไปล่วงศีลห้าล่วงละเมิดศีลห้าถ้าหากว่าชาวโลกพอมีอายุ7็ดปีก็รักษาศีลห้ากันหมดอย่างนี้สงครามจะมีมาจากประตูใดละ่ะทหารตำรวจก็ไม่ต้องมี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 พระพุทธศาสนาทําคนให้เป็นหมันแล้วพระพิคุสมัมเนรพวกเราในประเทศไทยนี่ไม่ต่ำกว่าสี่แสนหรือห้าแสนให้คนสี่แสนห้าแสนเนี่ยออกไปดูหรูออกไปทางโลกนาท่านเอย๋ยลูกเมียท่านเอย๋ยที่ดินท่านเอ๋ยจะได้ที่ไหนมาให้พอนี่พระพุทธศาสนาทำหมันแล้วเพราะมาให้มีเวนภัยแก่กันแล้วกันเพราะกดอาวุธทางเวนิภัยแล้วพระพุทธศาสนา แต่พวกเราไม่ปลดมันก็ยุ่งเหยิงกันอยู่ทุกกลุ่มย่านั่นน่ะสอนให้รักกันอย่ามีราชีคายอยาให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันพระบรมศาสตราสอนใครเอาไปใช้ไม่พิษเลยคำสอนพระพุทธศาสนาเนี่ยใครเอาไปปฏิบัติก็ได้รับผลตามส่วนคนฆ่าของเหตุที่ทำน้อยแล้วมากไม่เลือกชั้นวันนะเลยคดีดำคดีแดงในหวงในศาลมันจ ก, กเกษียนเป็น จำและผลของการจบเกษียณใหม่เป็นเลยตามไปถึงชาติเข้าสู่พระเนพานแต่ตามถึงพระอรหันต์มันไม่ถึงเพราะพระอระหันต์เป็นอาโหชิกรมแล้วตามไปก็ไปพบแต่ขันห้าล้นวนเพราะขันห้าขององค์ท่านมันมีอุปทานแล้วมันก็ไม่ได้ตัวผู้ที่ยังไม่พ้นทุกมันก็ตามไปมันก็ได้ทั้งหนังทั้งเขาเพราะยังไม่พ้นทุกแต่ตามประหาพระสวสดาบันสกทาคามีนาคามี อหรหันท่านไม่จองเวรกับใครถึงตามไปท่านก็ไม่จองเวรเพราะท่านรุดหน้าแล้วไม่จองเวรกับท่านผู้ใดอาฆาตจองเวรผูกใจเก็บไม่มีในพระโสดาบันถึงจะโกรธท่านก็ไม่ถึงกับผูกเวรเคยได้สร้างกับเขามาแต่พบก่อนก็ให้เล่ากันไปซะถ้าเขามาก่อใหม่ก็ให้เล่ากันไปซ ะ, าาปซะท่านต้องลงเออ ย, อย่างนี้เหตุที่นั้นท่านจึงปิดอบายพภูมิทั้งสี่แล้วเมื่อถึงพระโสดาบันแล้วสักทาคาเมนาคาเม อาหารก็เปิดประตูไปเองถ้ายังไม่ถึงเราก็ลำบากเดินวนตามขอบกระดงกผู้ที่หวังพ้นทุกข์ในวัฏสงสารปัญหาไม่มากเพราะปัญหาท่านเหล่านั้นท่านทำลายหมดแล้วผู้ต้องการพ้นทุกข์ในปัจจุบันชาติปัจจุบันอาชีพปัจจุบันธรรมก็คืผู้สร้างบารมีแก่ข้ามาแล้วนั่นเองพิจณาไตารักเท่านั้นพักนั้นไม่ลำบาก นิมิตทั้งหลายไม่ได้ติดอยู่นิมิตเทวุทธเทวราอินพรมยมยักษ์ไม่ติดอยู่เพราะใดๆในรกล้วนอันนี้จังใดๆโลกล้วนทุกครั้งใดๆในโกล้วนอนัตตาแล้วทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันแล้วสังขารโลกโลกคือสังขารสัตว์โลกโลกคือหมู่จัดโอกาสโลกโลกคือแผ่นดินโลกทั้งหลายรวมลงมาในสังขารโลกสังขารลาปารมาทุกขาสังขารเป็นทุกอย่างยิ่งสังขารแบ่งออกเป็นสอง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 สิ่งที่ไม่เป็นทุกข์ก็เป็นสิ่งที่เป็นทุกข์ก็เป็นของสุขสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนก็เป็นของตัวตนสิ่งที่ไม่สวยไม่งาม่าเป็นของสวยของงามนั้นยังไกลอยู่อันนั้นผู้หวังพ้นทุกข์ในปัจจุบันในชาติตาเป็นแตสักว่าตาหูเป็นแต่สักว่าหูลิ้นเป็นแสักว่าลิ้นกายเป็นแสักว่ากายใจเป็นแสักว่ากายรูปฉังกินรถผลธพระทำมาลงก็เหมือนกันกปัจจุบันอดีตอนาคตก็เหมือนกันปัจจุบันคืออะไรคือรูปขันนำขันเที่ยวงไปแล้ว อนาคตคือรูปขันจจออข น, นาำขันที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือรูปขันนาำขันที่กําลังเป็นอยู่ปัจจุบันคืออะไรคือสังขารที่ล่วงไปแล้วอนาคตคือสังขารที่ยังไมมาถึงปัจจุบันคือสังขารที่กําลังเป็นอยู่ทีนี้ตัวศีลตัวสมาธิตัวปัญญามันก็เคลื่อนขึ้นไปเมื่อใดเห็นทำทั้งหลายว่าไม่เมติยังเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อนั้นย่อมนายในทุกนั้นแหละทางแห่งวิสุทธิศีลวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิกลมกลืนกันในปัจจุบันเลยไม่ต้องเรียงแบบก็ได้ ท่านภูใจสูงทําสูงหลังเพื่อคนทุกนายว่ตาต้สงสารเราไม่มีของเราไม่มีผู้อื่นไม่มีของผู้อื่นไม่มีเพราะมีแต่สังขารและกวามทุกพระบกลมหายใจเข้าออกเลยเป็นทศวรรษรู้เป็นทศวรรษเห็นพรอกบกลมหายใจเข้าออกพราะท่านไม่กำหนดในรู้ในเห็นเรารู้สังขารตามไปเจิงของสังขารเรารูพ้พระนิพพานตามไปเจองของพระ น, นิพพานแต่เราไม่ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสองท่านผู้คนไปแล้วพระบรมศาลาก็ยืนยันอย่างนั้น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 พระพิทยวัชรทรัพยโลคโยนัสพระตมเตพระวัตวันตรายโยสุขีธีขายโยคูพราะอภิวาทนาสีนิสานิจังวุฒาปจายังโฉทารุธรรมวัตรันติอายุวันโนสุขังฟรังด้วยเดชพระพุทธศาสนาอันทรงพระคุณข้าไม่มีประมาณแล้วก็ทรงมีอยู่ทุกการด้วยไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้และไม่รู้ไม่ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อและไม่เชื่อเมื่อเป็นดังนี้พวกเราทั้งหลายทุกคนหน้าทั้งที่มาในที่นี้คนดีไม่มาในที่นี้คนดีจงประสบแต่ความสุขความเจริญ ในบวรธรรมพุทธศาสนาความพระธรรมทุตติเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโดยชอบอยู่ทุกเมือ่อทื่อเห็นอ น, นิจจังขณะจิดหนึ่งเห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเห็นทุกขณะจิดหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเห็นอนัตตาขณะจิตหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วไม่ต้องสงสัยในโลกทั้งปวงเลยข้ามทะเลหลงของตนไปซะเอาละทีนี้